มันเป็นอาสังสึกิตูหโฮมิมันเป็นทํำสังเวเกแกจักฟองมันเป็นเหตุไท้เคดไทยลาบในวัตาสงสารมันเป็นเหตุว่าให้สงสัยในโลกในสงสารต่อไปในอนาคตทุกมีเท่าใดมันมาเสดหงเห็นเมืทุกหิวทุกอยากทุกหอนทุกหนาว ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกวิโยคพัดผาดทุกวาทนาบ่ได้สมหวังสัพพะทุกทั้งป่วงมันมาเสดง็จเห็นเมื่อผ่านมาเมด่อเท่าทีผ่านไปทางหนาก็คือกันถ้าผ่านมาเลยต้นไหนพบก่ก่อนศาสตร์กร่นก่อนก็คือกันลิ่งลายของหลกบบนิ้มีลิ่งมีล่เอียงรวมลงมา ก, กับสัพพะทุกเท่านั้น ที่มีหลายลูกใหม่สักหมืน่นสักแสนสักลา้านสักโกดสักตื่อสักเตียวสักอสงไขยก็ตามก็ผลลับคือผลสะท้อนขึ้นมาท้ามีจะถทุกข์ท่านขันเมื่อเป็นนักสันพระรหัสรหาสเจ้าทั้งหลายจึงเบื่อเลื่อมใสและเพราะอะไรในวัตตาสงสารอือ พี่เจ้หน้าไปไส้ก็แม่นนำไล่ที่บ้วนทิ่มของเกา่าแม่นนำไล่ยอยู่เนปากที่เกิดใตลินนี่ของเก่าเมื่อบ้วนทิ่มแล้วก็เลยพ่ะเสด็จอยากเอาขึ้นมากลิ่นพระละหันทั้งหลายก็ต้องเป็นทังสัน่นเพราะผู้คนตาสูงเห็นสัตว์แล้วแก่คว่ำหลงจะตกของตกแล้วก็มีคว่ำหลงสิดขางอยู่ พอไดพี่จาหน้าลกูกลูกคือมูสัตอันชร า, าพยาธิมารณนะเขาไปผูกไหวไหมยังยืน่นลูกคือมูสัตบ่มีผูใ้ใดเป็นไงกว่ากันในทางบ่แกบ่เก็บบ่ตายเสมอภากกันเมือในทางแกทางเก็บทางตายส่วนเป็นไงท่างกันในคุนอาวุธิ อในวุโทไว้ยวุโทรหรืออาบยศสันเสริญอ น, นันยกไว้ส่วนความตายก็โมมันบเทียงมุยพูได้สิเป็นไงก็กันเสมอภาค ก, กันเหมือนนาของใส้โลกคือมูสัตวบกพ่องอยุเป็นนิดบรูจักอิมเป็นถาดแทงตันหาความอยาก ผู้พ้นพ้นไปแล้วพ้นบ่เป็นธาตุตันหาแยแห่งความยากซะความทะเยอทะยานในภพหน่อยภพใหญ่กรบโบมีในเพินินพี่จะหน้าขึ้นทั้งหลังกรบโบนาเรือมใสมิตราสังเวชตนเจ้าของที่ค่อยผ่านมาแล้วพี่จะหน้าไปทั้งนาถ้าเราจักผ่านไปในภพในศาสนาก็าดีกับนาสังเวชเจ้าของจักผ่านอีก พญานาในปัจจุบันก็เหมือนการเอาพัตปัจจุบันเป็นเป็นพญานเอกเห็นความแก่ในปัจจุบันก็เป็นพญานเอกที่ล่วงมาแล้วในศาสตร์ก่อนๆหรือในศาสตร์อนาคตหรือจะไปในข้างหนา้าในปัจจุบันในศาสตนี้ด้วยเห็นความเก็บในปัจจุบันก็เป็นพญานอันที่เก็บมาแล้ว เกปวดแขงปวดขาปวดหัปวดตาหิวข้าวละหายน้ำอุจจาร ะ, ะปวดปวดปัสวะพระองค์เจ้าจึงยักเป็นกองทุกข์มัดชีค้คดฉาพิปาสาสันหายข้าวหิวข้าวละหายน้ำก็เป็นทุกข์วิช mm ัน hmm. อุจจาร ะ, ะปัสสวโหติปวดอุจจรปัสวะก็เป็นทุกข์ชีคัดฉาอื mm hmm. สีตัง ถืออันเย็นเกินไปก็เป็นทุกข์นะฮผ่า ม, ามอโ h o อุ่นหงั่งถืออันฮอดก็เป็นทุกข์เดรียนของ hom นอกกว่านั้นในสัพพทุกในสกนลลล่างกายนี่ยังมีสัพพโรกต่างๆเกิดขึ้นนี่สารพัดจะคู่โลกคู่โลกในตาโสตาโลกคู่โลกในหู เยหาโลโคโลกในลิน่นกายโลโคโลกในกายคําก่ายในหมายมัดทั้งตัวนังหุมเหลือส่วนรวมอันนี้แง่ากายออกมาเป็นตาหูจมูกลิน่นสามารถท่านตาโลโคโลกในฟันสามารถเป็นลลกได้มัดโลกเบาหวานลทธิีด้วงลำใส โลกดีเดือดโลกเบาหวานโลกมองเคราะห์ล้มจุกเสียดตีขึ้นเบื้องสูงล้มตีลงเบื้องต่ําเกินไปเป็นต้นว่าทายท่องก็ดีหรือพายล้มเกินไปก็ดีล้มตีขึ้นเบื้องบนตีขึ้นหัวกว็ดีล้มจุกเสียจาระผัดเกิดขึ้นใสนสักลละล า, ายนี่ ร่างกายนี่มีทุกข์มากมีโทษมากคิริมาอ น, น่เนยทานจงพี่จะนาให้มันดีแล้วคิริมาอ น, นก่ก็พี่จะนาอยู่บ่มีกังเว่งกังคืนเพิ่งกระํำเร็จพระาารหันซ่าเบื่อนายคายเมาเพื่อนเฮ้าพายหนอกตีตะปูอยู่ เพื่อนท้าภพายได้เพื่อนพยายกิดตลาดมัดด้วยเซ็นด้วยเอ็นมีกระดูกเป็นโค้งเป็นเครื่องมันมีหนังมีเนือ้อเป็นที่ทสาบท่ามันมันมามีนาที่สิแตกสีสลายลงบบโค้งท้นเฮือกปันเพื่อ น, อนภายนอกซํา ทีนี้กิดใจบูรูษเท่าท่านเทียมถึงก็ว่ามาหลงเนื้อหนำอันนี้ทีนี่สักคนร่กายเตรียมไปโดยดินน้ำไฟล่มถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดล่มขันเมื่อแตกไปดินก็ไปเป็นดินคือเกาน้ามก็ไปเป็นน้ามคือเกาไฟก็ไปเป็นไฟคือเกาล่มก็แตกไปเป็นล่ม ลมกระแตว่าเป็นลมคือเกาส่วนพอย่งงาคิดตลาดคิตใจสีวา่ามันสมองก่อเหลวเตสีว่าจิตใจก็อเหลวเตแต่โลกโกดหลงยังมีอีกสีว่าเตเล็กหลุดล่วนว่าได้สนิมมันมีอีกขันบวมีขันบ่มมีเล็เกกระบวมีสนิมขันบวมมีใจกระบวมมีเกเร กิเลสเพิ่งจะเปียบว่าเปียบเหมือนพระเปรียบเหมือนเมฆหมอกมาบังพระอาทิตย์เป็นอาขันตุ ก, กะเป็นแขก ม, มาบางังส่วนจิตใจเปียบเหมือนพระอาทิตย์แลเดือนดาวเป็นของใสสะอาดอยู่เดืออาใสเมฆหมอกมาบังตั้งหา่าง จิตใจก็คือกันใจทแท้ใจล้นวนบมมีกิเลสเป็นที่ซักว่าใจล้นวนใสสะอาดอยู่แต่กิเลสมาอบ อ, อน้ำอันละเอียดแทบผมีตะกอน ม, มาส่วนตะกอนมันมาจากตุมจากนา้ำกิเลสอุปมาคือตะกอนน้ำสะอาดล้วนอุปมาคือ จิตใจของพระละหันเห็นสันว์คนตายในโบราณเพิ่งจะอานามบกพ้าวไปหดหนาขันจิตใจบริสัยเหมือนหน้าบกพ้าวเนี่ยจังมาทองเที่ยวตายในวัดตาสงสารนี่แหละเน้อว่าสัมูเฮ้าว่าสัตวเล่ไประหดหนาซบในโบราณเพิ่นแล่าเทศให้ผู้ ผู้คนดีเห็นเราฟังมูอเฮาเนี่ยขนหน้าม่้ใสเหมือนดังนาบักเผานี่นาบักเผามันมีตะกอนแล้วมาเที่ยวเกิดแก่เก็บตาออย่างนี่เนาะหมอเสียงที่วานข้าตอกดอกไม้ก็ดีวานข้าตอกไปน้าทางโบราณภาคอีสานก็ดูของเฮาเนี่ยสี่แยกกระจายไปจั้งสี่เหลือเนาะหมอืม พวกผู้ลองค้นตีไปทั้งเซยศาสตร์พราวาวานล่อให้ผีกิ่นมันจ้ามโหามนักาวอ า, ว า, วาวมันไม่เอาน่ะปัญหาของเฮามันยังมีหลายพเพราะกิเลสของเฮายังมีหลายปัญหากระต่องหลาย ถ้ากเกลเอ็ดหน่อยลงปัญหาก็น่อยลงถ้าค่วงเข็ดหลาบในวัฏสงสารมีหน่อยลงทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันปัญหาก็น่อยลงคววมเทยา่าทย่านก็ยุบตัวลงเมื่อค่วมเทยา่าทย่านในวัฏสงสารยุบตัวลงทุกคิดทุกใจกัดหามเบคามล่อถอยลงเหมือนกัน เข้ามาอยู่ในวัฏฏะสงสารด้วยมันเข้ามาอยู่เพื่อเพื่อกินเพื่อนั่งเพื่อนอนอเพื่อลําเพื่อรุ่ยพี่สังภายนอกเรากินพ่อได้อยู่เพรมันอยู่เพื่อสิ ก, กิ น, านาเรานั่งพ่อได้อยู่เพรมันอยู่เพื่อสินาง แล้วนอนพอได้อยู่พอเปียนอิเดียบอสว่มันอยู่เพื่อสีนอนเพื่อสิกิน่นเพื่อสีนังเพื่อสีนอนพ่อที่ได้ปฏิบัติพ้นจากทุกในวัฏสงสารพ้นจากทุกในวัฏสงสารก็คือพ้นจากควอมลุงเจ้าของนั่นเองเมื่อควอมสลาดของเจ้าของมาแล้วพ่อแล้วก็ชนะข้อมโง เรียกว่าสงฆ่ามลางโลกขันธะควอมงอได้แล้วศา ส, สนาควอมงอเจ้าของเขาเรียกว่าสงฆ่ามลางโลกชนะ อ, อื่นไปมัดื่อที่เอามากเกกเียบตายขันยังมหันนะความหลงเจ้าของเขเรียกว่าเป็นธาตุแห่งความหลงเจ้าของ ก็เรียกเาเป็นธาตุแห่งตัญหาก้มเทเยธ ย, ย, ยานในวตารสงสารอยู่เทเยต ย, ย, ยานในเกิดในแก่ในเก็บในตายในความวีโยคพลผราคในสมวัตถสถานวัตถุนิย่มเทากับสมมาดีอยู่แต่อยู่แต่อูของอนิจจังเกิดขึ้นแล้วขอเ ป, ปลี่ยปวนด้ดับไปสังขารในได้เกิดขึ้นในอดีต สังขารอนั้นกิดับไปในอดีตแล้วสังขารที่มีใจคลองมุมีใจคลองก็ดีสังขารใี่เกิดในอนาคตสังขารนั่นกระชักดับในอนาคตสังขารหยาบกระดับดับตามหยาบสังขารละเอียดกระดับตามละเอียดเกิดขึ้นในแผล ป, ป่วนแล้วแล้วไปพยายามแดดมันเกิด เพราะว่าขื่นแล้วขนาดไหนมันกระดับขนาดนั้นเป็นรอบรอบคล้องมันที่นี่เกตัสิทธความนึกความคิดยิ่งดับเรี้ก้อนนั้นหรือสัญญากรณีหนึ่งสองสามที่หาเก็บไปเก้าสิบนี่มันสัญญาได้เนี่เพราะว่าหนึ่งแล้วก็ล่วงไปแล้วเพราะว่าสองก็ล่วงไปแล้วเพราะว่าสามก็ล่วงไปแล้ว คนจังว่าสัญญาควอมจำนี่ดับเลี้ยวเหมือนพยับแดบเพื่อนนะบุคคลเห็นควอมเกิดควอมดับขณะคิดหนึง่งยังไม่ดีก็ผู้บ่เห็นค้อมเกิดควอมดับเกิมดมาตั้งหลายปีเห็นข้อเกิดค้อมดับก็โดยใจควอมคือเห็นอ น, นิจจังนั่นเองข้อมโมหันบทยียงนั่นเองเมื่อเห็นอ น, นิจจังก็เห็นทุกขังนนในตัว ก็เห็นอนัตตาอยู่ในตัวอันบังคับบังทราบว่าอะไรบ่กให้มันเกิดมันดับมันก็เกิดกระดับส่วนจิตใจและสติปัญญาสามารถจักบังคับได้บังคับเพื่อให้รู้เท่ารู้ท่านรู้มั่นรู้ตัวรู้เท่ารูท้ท่านเที่ยมถึงเนี่ยจิตต่างท่านต่างสุขมาหังจิตที่ฝึกฝนแลี่ยวนาสุขมหาห้กน็นําสุข่าห้ยจิตท่านแหละ นอกกากคิดใจไม่มีอันใดที่ฝึกตนได้นอกการคิดไม่มีอันใดที่ฝึกกิดได้ไม่มีอันใดสี่รู้เท่ากิดนอกการคิดก็บ่มีอันใดสี่ไปหลงกิดอีกเหมือนกันสีวามันสมองก็แล้วแต่เรื่องปัญหาของสัตว์ทั้งหลายจบสิ้นเ่าเป็นเพราะเหตุใดเพราะมีโลภมีโกรธไม่หลงอยู่ เขาที่มันเป็นเขารีบเลยฮ้าไปวานมันบกขน้นพืชพันธัญญาหารกระสางมันรีบเลยฮอบมันมันบ่มีพืชยุหันกิเลสผ้าห้าเป็นพืชพ้นตามไปขวามงองมาจากใสมาจากเครื่องดอกสันดาน ขรวงโง่เกิดขึ้นผ้าให้ทถำกรรมทำกรรมแล้วผ้าห้รับวิบากของกรรมวนเวียนกันอยู่บนมีนองเว่งก็คืนนะคะเหตุที่สั่นพระหระหัสรหัสจึงอยู่เหนือกรรมเหนือวิบากรมูห้อยังอยู่แต่อำนาจของกรรมของวิบากอยู่ ท้ำซัวแล้วจิปฏิเสธบ่าหาได้รับก็ได้รับพ่อใจเป็นผู้ถ้ำเนี่ยติดทิมหาไพใจเป็นน่ายเนี่ยกายเป็นเบาวเนีเป็นน่ายกเป็นน่ายโกเปะผู้น้ำเปะเปะผู้น้ำน้ำกายน้ำไหวจ่าให้ท้ำชิงที่ก้วนเดือดรอนใจไปท้ำลง่งถ้ากายไหวจ่าไปท้ำล่อง ว่าจากับกายเนี่ยมันว เ, เดือดร้อนนําผู้สิรูลดควมเดือดร้อนก่อนม่ชิดมันใจผู้สิรูลดควบมวเดือดร้อนก่อมันชิดมันใจน อ, ใจอทําบมุนหายใจทํ า, าบะหายใจทําดีหายใจถ้ำซัวหายใจพอใจเป็นผู้ทําแม่นปฏิเสธที่พอเอากระร็กะไรกับบ่ได้พอขึ้นมาหาไก เพราะใจเป็นผู้ทำเนี่ยพืชมันอยู่จังไหนมันตอกขึ้นมาหาพืชมันคือข้าปลูกบัวละเพชรก็ดีชัยมันหวานมันมาหวานมันก็ขึ้นมาหาพืชของมันอะมาขมพอาปลูกเข้าเจ้ามันก็เป็นเข้าเจ้าที่ตามดืมโมฮอนมาเป็นข้าวเหนียวฉะนั้นคือกันจึดใจฮวาหวานควบดีผลของควบดีก็มาหาใจยึดใจฮวาหวานควมสัวผลของควมสัวกับมหาใจ พระศาสนายดนลงมาหันหยอกหอกธรรมัญญตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าซึ่งนี่เป็นเหตุแห่งสุขซึ่งนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นหน้าที่ของคิดใจสติปัญญาเช่อรู้จักว่าเหตุอันนี้ไม่เป็นแห่งสุดไปทั้งสุขหรือจะไปทั้งทุกข์อธันยญาตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ นิดสัมะกะนางเสออยโยใครควรเชียนเน่ยกนีล้วจึงทำเชียเลยดีกว่าสิ่งใดที่เฮ้าใครควนเรวเฮ้าทำถ้ามันพลาดก็มีปักตูแก่เนี่ยนี่เฮ้าสิมาแก้คิดแก้ใจแก้ความเห็นผิดท้องเฮ้าออกกากวัตาสงสารอยู่เนี่ย พอห่าเค้ยในทองที่เอามานา่นแล้วในวัดตาสงสารอันนี้ไปมองหนาม้องตากันผู้บวเคยเป็นพอเป็นเม <c oughs> ผู้บวชเข้ยเป็นไอเป็นท้ายผู้บวชเข้ยเป็นมิตรเป็นตาสหายเนี่ยบวชเคยเป็นพี่เป็นน้องกันจักหายากในโลกอันนี้มันเป็นศาสตร์หนึ่งกับศาสตร์หนึ่งผู้องค์เก่าอะไรี่สิถ้สั่นสูง ของพระพุทธศาสนาสอนในเขล็ดลับในวัตาสงสารสอนให้พญายกิจตลาดเขล็ดลับในวัตาสงสารพญายกิจตลาดเที่ยมมากข อ, อของหม่นว่าเทียงหนังกับ่หมันของหม่นของเทียงพญายกิจตลาดมากอ่อเอาพบคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้อหัวใจตับพังผืดไตปอดใส่ใยใส่หน่อยอาหารใหม่อาหารเก่า นี่จัดเป็นถาดดินพระญาจิตตลาดมากอรอออกเพราะยังลงดินน้ำไฟร่มอยู่ก็เลยแล้วมะกรอเอาดินเอาหนาไปไฟไว้ร่มอยู่เนี่ยมาเป็นสมบัติผัดสถานเจ้าของขันเมื่อดินน้ำไฟร่มซุ้มนี่แตกสลายพระญาจิตตราดกระโสกเสามะเห็นในส่วนจังหวัามาสอนรนี่ยพญาจิตตราดดูเท่าเจ้าของซะโยกทงขาวตอ่อคม หลงเจ้าของครับขันพระยาจิตตลาดมาตรบสลาดเหนือคั้วมัวเจ้าของไปแล้วอุปมาคือแสงพระอาทิตย์โฮม่มาชนะควาวมืดน้ามีมีมีหมกการท่องเที่ยวในวัตรารงสารว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆ็กหน่อย อาศัยความเคยชิ้นห้องเฮาซุกเอาเผากินมันก็เลยถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเฮาขันกระจกมันใสสะอาดดีหรือกล่องมันดีอันไ้มาพาน้อยเดี๋ยวมานก็ห้องเกับฉันหนห่ยคือกันแต่จิตใจห้องเฮาสูงสติปัญญาห้หาแก่ก้า ทุกเพียงเล็กๆเๆนีอยๆเขาก็ต้องประกวดลูกดเมื่อนาเหลื่มไสเมื่อนามูซาในวัตาทองสาลคนมาเกิดที่แรกมิตกรกับ ม, มือเกิดออกมานะให้พ่อมาจไเ้มาพานกองทุกเพื่อได้เกิดมาแลยยิ้มหัวเละบ่มีมิตรไหมันล่างบ่ดีจะเกิดมา ทั้งลายมนุษย์จังหวะชาติตีติทุกขา์าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทั้งลายเห็นความเกิดไหมเห็นเห็นอะไเดียพี่จะหน้าอย่างไหนเดได้พี่อย่างหน้าอะไรเงนยียเรียกเอาว่าเห็นความเกิด ในพี่เจ้าหน้าว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์เรียกว่าเห็นความเกิดความแก่นี่เป็นทุกข์เรียกว่าเห็นว่าความแก่เห็นว่าแก่เป็นของธรรมดาซื่อแลกันบ่ได้ถือว่ามันเป็นทุกข์ถือว่ามันแก่ทีซื่อเรียกว่าบ่เห็นบ่เห็นความแก่ความเก็บก็คือการความตายก็คือการมีทุกข์โยชาติปิทุกขาปิแปลว่าแม่มันทุกข์หลายจังหวะใจเสละเอตตัวมอไม่โท่ เป็นทุกขันพี่จ้าน่าทุกข์พ่อมกับลมหายใจเขาออกอยู่เพมีกระเวน้นงคืนเนี่ยพี่จาน่าอนิจจังพ่อมกับลมหายใจเขาออกรมีกระเวน้นงคื่อนไพรสีมาตัวอะในโลกอันนี้มาตัวอะไรหรอคิด ข, ข้าเ้าองเขาเขากับับครั บ, บ, บไปเ่าก็ได้ของว เห็นยุ่งพ่อมก๊อบลมหายใจเขาออกเห็นยุ่งพ่อมกับชีพจรเดินผุนแห้งคังกลายสว่วชีวิตของมนุษย์กระชีพจรนี่แหละเดินเดินปับบานึงกระชีวิตแหละขันเศ้าเดินกับแม่ท้าตายอหละหายใจเขาก็เป็นซาดนึงละหายใจออกก็เป็นซาดนึงละ่ะพอหายใจออกเราบ่กเขาก็ตายด้ อายุของศาสตร์ของผมมีเพียงหายใจเข่าเท่านั้นหายใจหายใจเข่าจะออกเท่านั้นอายุของป่านนป่ปานเปลี่ยนไปชีวิตจงปวงท่ามสังเวชล่องเถิดเนี่ยโหเจ้าจงสลดสังเวชในวัตารสงสารเถิดที่เอาเค่อยเลยหลงทองเที่ยวมาโดยโศกโศนใน ในเก็บในตายในค่วมปรารถนาบรารดสมหวังในคววมดีใจเสียใจมัวเฮาเนี่ยโศกส่นมากเ้วยจงเค็ดจงหลาบเนอะแสนพระองค์เก่ า, าเรียนวิชาเค็ดหลาบซะแต่วันนี้ต่อไปหีมาหาพอ่อพี่ลูกหลานเนืะอทํานมีนายของพระ อ, องค์เก่าอุปมาคือเอินยามมี้คืเมื่กงคื น, น, นมาเนื้อลูกหลานเน้อไ้บนพี่จังเม็นบนสมัยเลยสิน สมาธิปัญญาเรียกว่าข่มข่มเอืนความหอกข่มเลียกของพระ อ, องค์เจ้ามันมีก็เว้นกันขึ้นท่านฉีนพรวนาฉีนสมาธิปัญญาเรียกก็เป็นข่มห้องความเอืนความเลียกของพระพุทธเจ้าอยู่มัมีก็เว้นกันเงิกันขึ้นหรืออย่างสัน้นอุ ป, ปมาคือพระ อ, องค์เจ้าหาอาหารมาไว้เลี่ยล่างมือกินล่างมือเปิบเอาซื้อ หรือบอยจันคันอุปมาคือทางพระองค์เก่าทางเตียนเนี่ยมาเน้อมาเนื้อให้น้ำทางพอทางมานี่ยวางสนุกพี่มันจังสบายลูกหลานด้วยจะพากันไปมั่วเกิดปวมั่วน้าเกิดน้ําแก่น้ําเก็บน้ำตายพากันเมื่อกันนายให้มันพากันเคล็ดหลาสนุกหลานเให้อรับพอพี่ว่าอุปมาคือพระพุทธเจ้าว่าจังสนุะทำข่มเมาให้สลางออกสนุกหลานเนื้อให้มันคายเมาเสเนื้อ มั่วเน่ยวัดจะอาสงสารเง่นเงินลูกเงินหลานเสีมีเงินหลานเงินโกดเงินตื่นเงินติวไอ้เงินลูกหลานเจ้าเนีเรื่มตัวเน้อมันบอมมอนม่อเทียงได้สิไดียบโยกพัดผ่าคือได้หนาดเชงทําจิตทําใจอย่าให้มันสุดเพียงแค่นั้นเน้อให้รูดเท่ารูท่านรูมันรูตัวเสียเอะยังที่แก่คมลงเจ้าของได้ง่ายให้มาหาพอซะลูกหลานเลยอุปมาคือพระองค์เก่าว่าอย่างศักดิ์ม่มีกังเว้นกังคืน เขาซูพนิพานไปแล้วหมักก็แม่หินเม็ดทรายในถ่องมหาสมุทรมูอเหาก็สิไปคือกา น, น, นละปัญหาอันนี้ไม่ใช่ข้องเล็กหน่อยเป็นนาที่ห้าสซีแกเห้าแก้ท่านกับท่านเ้าแก้ว่าท่านท่ากระตายโคลโล่จะเกิดอีกนี่ที่วางเล้ออ เกิดมาเก่มาเก็บมาตายเนี่ยเวลาไม่น้อยนักหนานี่น้อยไปไหนเสืดอลมหายใจเข่าเนี่ยน้อยไปไหนสื้ลมหายใจออกละน้อยไปไหนกับเ ส, สื้อทีบทพระจอนเดินกับกับกับมันเช่้าเดินกับมันธาตุละสิ่งเมื่อนี่มันเป็นวีซ่าของนักปา่า เมื่อมันวิชาคนหลงสิมาพี่จะาน้าเป็นวิชาของผู้สนใจยักษนจากวัตารสงสารกินท่านเขาแมทักพักเซนหนึ่งก็คือกันเล่าจิตธบุมุนุทิศถ้าพ่อห้าเมยผู้ลวงรับไปกเหมอนกันขอให้พ่อให้แม่ได้รับหรือขอใหงหยาดติพีนอได้รับแต่ขอให้พูกขาพพนทุกไ ป, ไปไว่าด้วยยังสีได้เดี๋ยวนี้ ด้วยอันนี้สงีิเด็กินได็กทานหรัพอ้าเมีหมาทำบุญฮาผู้ตายก็ดีอย่าให้ผู้คาเดี๋ยว ม, มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารนานาเดี๋ยวผทุกไวไหวไปทั้งพอทั้งแม่ยทั้งพีทั้งนอ้องผู้ขาก็ต้องน้องรีบไปนำกานโหลดเหือนัน น, <c oughs> นี่คุมมาเองใ่